พรบัญญัติก็ภิกษุผู้จะทำผ้ารองนั่งพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อ น, นั้นคือยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัตปัาจิตีที่ชื่อว่าเชทน ก, กะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระฉับขีจบ